คืนเดือนเพ็ญแสนเย็นให้ใจบำเพ็ญภาวนาน้อมใจน้อมกายตามรอยบูชาเธอทูลในพระบุญญา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 สุขล้นในพระเมตตาสังคบิดาคอยประคำสอนมันไวไ้ในธรรมทุกตอนชาติเรายังคงบวชนหากทำนั้นกรองหัวใจประ สุขล้นในพระเมตตาสังคบิดาคอยพรมสอนมันไว้ในธรรมทุกตอนชาติเรายังคงบวรหากธรรมนั้นกรองหัวใจประชาชนมันไว้ในธรรมทุกตอนชาติเรายังคงบวรหากธรรมนั้นครองหัวใจประชา